FM 89.5 MHz สร้างสันและผลิตรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโรยีราชมองคลทัญญาบอรีมหาวิทยายลัยเทคโนโลย ی ราชมองคลทัญญาบอรีเขาวเชิญเฝ้าทูนละอองประบาทรับสเสด็จสมเด็จพระก rupt นิษฐาที่ราษเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัษราชสุดาเสย adaptation used to the D эк ง aspirations are great พระเทพระทธราชสุดาร� ในพิธีพระราชทานปริยาบัติมหาวิทยาล source духов โ, โ ร, ยราชมงคล assessment ขลังที่33ประจําปีการศึกษา2561ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม2562 ESE น50まで face ของ which การ Christians foriu rout around and nantes มร tensor духов กี้ไม่ามเห็น chw. บริ bı Student เขา leak โ independ 心つおรบ Yu hurting zob 리ในพิธีพระชมราชทานปริยบัติ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 ぬうんかうかうぬうん。 ต่อาจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ English Around You ดำเนินรายการโดยอาจารย์ชนกนาถจีนศรีและอาจารย์พุทธนาถสวัสดโยธินสนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งมัน่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัตทิทางด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีคุณภาพสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ <around> อิงลิชเราอยู่ขอแก่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลอันยาบุรีโดวยระบบเอฟเอ็มความถี่แปดสิบเก้าจุดห้ามิโกเฮิร์สเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตวันนี้พบกับดิฉันชนุกหนาจีนศรีดิฉันพุทธนาสวัสดโยธินเราสองคนรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะ รายการของเราออกกันทุกวันพุธแล้วเราจะอยู่ประจำในเวลาตีสี่ถึงตีสี่ครึ่งเป็นประจำทุกสัปดาห์วันนี้นะคะตรงกับวันพุธ ท, ที่17เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2562ค่ะวันนี้รายการของเรานะคะนำเคล็ดลับการใช้ภาษาอังกฤษมาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะในอกหมวัวข้อที่ว่ามีโฮมต้องไม่มีทูค่ะ ค่ะถ้าเรานะคะจะพูดนะคะภาษาอังกฤษนะคะว่าเราจะกลับบ้านเนี่ยนะคะปกติเนี่ยเราเนี่ยก็จะใช้ go home ไปเลยนะคะแต่บางคนเนี่ยนะคะก็ใช้ตามที่คนอื่นเขาใช้กันนะคะคือบางคนเนี่ยก็เติม to เข้าไปด้วยนะคะกลายเป็น go to home ค่ะ ะะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาใช้เนี่ยเวลาเห็นไปที่อื่นเนี่ยใช้ go to ใช่ไหมคะเราก็เลยใช้ตามไปด้วยเลยกลายเป็น go to home นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับคำว่า home เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องไม่ตามด้วย to นะคะต้องไม่มี to ค่ะเหตุผลนะคะก็คือ home เนี่ยในคำว่า go home เนี่ยเป็น adverb นะคะหรือว่ากริยาวิเศษนั่นเองค่ะ แปลว่ามุ่งไปที่บ้านนะคะ go home มุ่งไปที่บ้านค่ะซึ่งไม่ใช่คำนามนะคะอย่างที่หลายๆคนเข้าใจกันนะคะเดี๋ยวเราจะลองเปรียบเทียบสองประโยคนี้ดูค่ะ he goes home he goes home กับประโยค he walks slowly he walks slowly สองประโยคนี้นะคะมีโครงสร้างเหมือนกันค่ะก็คือประกอบไปด้วย ประทานนะคะกริยาแล้วก็ Adverb นะคะหรือกริยาวิเศยนั่นเองค่ะดังนั้นแล้วเนี่ย Go Home นะคะจึงไม่ต้องใส่ถูงนั่นเองค่ะค่ะส่วนนะคะคำสับคำว่า Home นะคะที่ใช้กับคำอื่นๆ น, นะคะก็ใช้เช่นเดียวกันนะคะเช่นนะคะ I usually walk home I usually walk home ก็คือปกติแล้วเนี่ยฉันก็เดินกลับบ้านค่ะในที่นี้ก็คือใช้ walk ที่เป็น verb นะคะแล้วก็ตามด้วยคำศัพท์คำว่า home ที่แบบว่าบ้านไปเลยนะคะคือเราจะไม่ใส่ to นะคะค่ะแต่ถ้าเราจะบอกว่าขับรถกลับบ้านนะคะเราก็จะใช้ drive home ได้ค่ะดังตัวอย่างประโยคนี้นะคะ he usually drives home he usually drives home มีความหมายว่าปกติเขาจะขับรถกลับบ้านค่ะค่ะถ้าเราจะบอกว่าฉันเนี่ยจะขับรถไปส่งเธอที่บ้านนะคะประโยคที่ว่าฉันจะขับรถไปส่งเธอที่บ้านเราก็จะใช้ว่า I drive you home I drive you home ก็คือฉันเนี่ยจะขับรถไปส่งเธอที่บ้านค่ะค่ะแต่ถ้าจะบอกว่าเขาเนี่ยเดินไปส่งฉันที่บ้านทุกวันนะคะสำนวนก็คือ walk me home นะคะ เดินไปส่งที่บ้านนั่นเองค่ะ he walks me home every day he walks me home every day มีความหมายว่าเขาเนี่ยเดินไปส่งฉันที่บ้านนะคะทุกๆวันเลยค่ะ walk me home นะคะตรงนี้จะเห็นว่าไม่มีการใช้ to นะคะเข้ามาเชื่อมค่ะค่ะประโยคต่อมานะคะ go hard or go home Go hard or go home นะคะประโยคนี้นะคะแปลว่าสู้ให้เต็มร้อยนะคะ Go hard go home ไม่งั้นก็เก็บกระเป๋ากลับบ้านไปเลยนะคะถ้าเกิดว่าก็คือสู้ให้เต็มร้อยนะคะค่ะเรื่องต่อมานะคะจะเป็นการใช้คำว่านิด need n e e d คำว่านิดนะคะเป็นคำกริยาที่ดูเหมือนจะใช้ไม่ยากนะคะแต่กริยา need เนี่ย จะมีความพิเศษของตัวมันเองอยู่ค่ะซึ่งคำว่านิดเป็นได้ทั้งกริยาหลักนะคะและเป็นได้ทั้งกริยาช่วยค่ะเดี๋ยวเราลองมาติดตามรับฟังรูปแบบการใช้นิดกันเลยนะคะค่ะการใช้นิดนะคะข้อแรกนะคะการใช้นิดเนี่ยนะคะ เราจะใช้นะคะอย่างกำลังยังกิริญาหลักในประโยคค่ะก็คือใช้เป็นกิริญาหลักนะคะบวกด้วยคํานามคะก็คือใช้นะคะิทๆเป็นกิริญาหลักตามด้วยคํานามนะคะความหมาย Linda metrics กิริญาหลักตามด้วยคํานามนะค่ะก็คือต้องการอย่างมากนะคะหรือแม้ว่าจําเป็นค่ะเช่นประโยคตั lactate Vancouver อีก một ครั้งนะคะ Let's save it any more อีก五 aser four? 5 I can't hold it anymore. ประโยคนี้นะคะแปลว่าฉันเนี่ยอยากจะเข้าห้องน้ำนะคะฉันเนี่ยทนไม่ไหวแล้วค่ะก็คือ I can't hold it anymore นะคะประโยคนี้ก็คือใช้ need นะคะตามด้วยนะคะคำนามซึ่งเป็นคำว่าห้องน้ำนะคะคือคำว่า a toilet นั่นเองค่ะค่ะรูปแบบของ need ที่เป็นกริยาหลักรูปแบบต่อมานะคะจะใช้ need ตามด้วย to นะคะและตามด้วยกริยาแท้ช่องที่หนึ่งนั่นเองค่ะ need to work one นะคะหรือจะเป็น need to do something นั่นเองค่ะแปลว่าต้องการนะคะหรือแปลว่าจำเป็นต้องทำอะไรสักอย่างค่ะตัวอย่างของการใช้โครงสร้างนี้นะคะ you need to attend the meeting you need to attend the meeting ประโยคนี้มีความหมายว่าคุณเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเข้าร่วมประชุมนั่นเองค่ะค่ะข้อควรระวังนะคะถ้าเราใช้ need นะคะเป็นกริยาหลักหรือเป็น main verb นะคะเวลาที่เราทำเป็นรูปปฏิเสธนะคะหรือคำถามเนี่ยเราเนี่ยจะต้องใช้ verb to do นะคะเข้ามาช่วยค่ะอย่างเช่นในรูปปฏิเสธนะคะ you don't need to go there you don't need to go there ความหมายของประโยคนี้คือคุณเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปที่นั่นค่ ะ, คะการใช้นิดแบบที่สองนะคะเราจะใช้ในรูปแบบของกริยาช่วยนะคะหรือ modal verbs นั่นเองค่ะแน่นอนนะคะโครงสร้างนะคะของ modal verbs นะคะจะต้องเป็นนิดและตามด้วยกริยาช่องที่หนึ่งค่ะโครงสร้างนี้นะคะไม่มีการใช้ to นะคะตัวอย่างประโยคค่ะ you need sleep you need sleep มีความหมายว่าคุณจำเป็นต้องนอนนะค่ะแต่ถ้าเรานะคะใช้นิดนะคะอย่างที่เป็นกริยาช่วยนะคะเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเอาเวิร์กทูดูเข้ามาช่วยนะคะถ้าเราใช้แบบกริยาช่วยนะคะ、mm hmm. เ, เราเนี่ยสามารถเติมน็อตนะคะข้างหลังนิดได้นะคะ、mm hmm. และเวลาตั้งคำถามนะคะก็สามารถใช้นิดเนี่ยขึ้นต้นประโยคได้เลยค่ะเด、mm、ี、hmm. ๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคนะคะ、mm hmm. she need not buy a car ชินิดน็อตลอยคอร์หล่อนเนี่ยไม่จำเป็นต้องซื้อรถนะคะในที่นี้ใช้น็อตตามหลังนิดนะคะอีกหนึ่งประโยคนะคะเราใช้นิดนะคะนิดนะคะในการขึ้นต้นเป็นประโยคคำถามค่ะ need you stay up tonight need you stay up tonight ความหมายก็คือคืนนี้เนี่ยคุณเนี่ยต้องอยู่ดึกใช่ไหมคำว่า stay up นะคะก็คือต้องอยู่ดึกใช่ไหม รูปแบบที่สามของการใช้นิตนะคะก็คือจะใช้ในโครงสร้างที่ตามด้วย verb-ing เนี่ยเองค่ะนิตบวก verb-ing นะคะแปลว่าจำเป็นต้องได้รับการทำอะไรนะคะสักอย่างหนึง่งซึ่งเป็นโครงสร้างในรูปแบบของถูกกระทำนั่นเองค่ะกรณีที่ประธานของประโยคไม่ได้ทำเองค่ะตัวอย่างประโยคนะคะที่ใช้นิตตามด้วย verb-ing นะคะ Your room needs cleaning. Your room needs cleaning. ประโยคนี้มีความหมายว่าห้องเธออะต้องทำความสะอาดบ้างนะคะอีกประโยคตัวอย่างนะคะ That the engines need checking. That the engines need checking. ความหมายของประโยคนี้คือเครื่องยนต์เนี่ยจำเป็นต้องได้รับการตรวจสภาพใช่ไหม ดังนั้นแล้วนะคะรูปแบบของการใช้นิดเนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายนะคะคุณผู้ฟังก็ลองเลือกนำไปใช้ให้ถูกกันดูเลยค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเวอร์ไวท์เว็บดอทภาษาอังกฤษดอทคอมค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ฟังนะคะพักฟังเพลงเพราะพอต่อช่องสถานีแล้วกลับมาพบกับพวกเราในช่วงสุดท้ายของรายการอินดิสอาราวูติดตามฟังกันได้นะคะ Tonight, it's just the two of us. So forget the world for a while. Open your h e a r t and open your eyes. I'm right here. Front of you, and you look so pretty in your dress. Though I know I look like a m e s s I'll do my best to win your heart. So, can I walk you home? Tonight, please tell me how you feel. c a u s e deep inside, I know is real. I promise I will forever. Darling, open up to me. Let me walk you home. Before it's morning, before the sunrise, before I go back to r e a l i t y You、go back to your life. Tell me that you feel the same. As I will forever be yours darling, open up to me. Let me walk you home. Even if you'll never be mine, I'm in love with you. レ c a English a r o u ンレ can ドイ、ハナセラパサー、 ที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติทางด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมและภาษาอังเกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีคุณภาพ มาพบกันต่อในช่วงที่สองของรายการ English Radio อีกแล้วนะคะทางเคลื่อน FM แปดสิบเก้าจุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญาบุรีเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตค่ะในช่วงนี้ของรายการนะคะเรานำการใช้เดนนะคะเป็นเรื่องแรกเลยนะคะมาฝากคุณฟังกันค่ะ ค่ะหลายหลา ย, หลายท่านนะคะพอเจอคำว่าเด่นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะแปลา ย, ยังไงดีน่าให้มันได้อัธรสนะคะบางคนก็อาจจะแปลายว่าช่างเถอะนะคะฉันไม่แปลายก็ได้เด่นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีความหมายว่าแล้วนะคะหรืออาจจะแปลายว่างั้นก็ได้ค่ะดังตัวอย่างประโยคต่อไปนี้นะคะค่ะตัวอย่างประโยคที่ใช้เด่นนะคะ the show has cancelled then what the then what should we do? ะะ the show has then, what should we ะะ cancelled we do? do? ลは、どうนるか。 คู่สนทนาเรานะคะอาจจะถามต่อว่า What do What do you want to do then What do you want to do then นะคะความหมายนี้ก็คืออะงั้นจะทำอะไรดีล่ะซึ่งเดนในความหมายนี้นะคะก็เออแปลว่างั้นนั่นเองค่ะต่อมานะคะเดนจะมีความหมายว่าในตอนท้ายนะคะหรือแปลว่าเวลานั้นนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ เช่นในตอนนั้นหรือเวลา isan นะคะ covidan talks is different berindre หยวกนี้แปลว่าไว้เจอกันนะคะอง้า ull in the front is to meet 향 yh пов. ู of this งค์เร็วคือในตอนนั้นนะคะ нав эконом のยังพดว่าน airsаг � tactic writes ビ tud 書มากจะใช้เป็นคำบอกลาซึ่งอาจตบนเหรอ Russian rumors ว่าจะจะเจอกันอีกตอนในหรือเวลาอยาก็ได้ค่ะค ierz approach ต่อมาที่เด็ญมีความหมายว่าในตอนนั้นหรือเ� If his if his you you get his address, if you get his address, address me then, Call call Yesterday bank. friend me then, then, the then the translation หนึ่งครั้งนะคะ yesterday I went to the bank then I pick up my friend at the train station นะคะความหมายก็คือเมื่อวานเนี่ยฉันไปนธนาคารมานะนะคะต่อจากนั้นเนี่ยฉันก็ไปรับเพื่อนที่สถานีรถไฟนะคะ den ในที่นี้นะคะก็แปลว่ า, าต่อจากนั้นค่ะก็คือบอกลำดับเหตุการ์ค่ะ และต่อมานะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ phrasal verb นะคะหรือว่ากริยาวลีที่น่ารู้ที่พวกเราสองคนนำมาฝากกันค่ะเริ่มกันที่กริยาวลีแรกนะคะ call off call off มีความหมายว่ายุตินะคะหยุดล้มเลิกหรือจะแปลว่ายกเลิกก็ได้ค่ะนางตัวอย่างประโยคต่อไปนี้ค่ะค่ะตัวอย่างประโยคแรกนะคะ The game had to be called off due to the rain. Time, the game had to be called off due to the rain. Quảm หมมาาาาาายยยกกกกกก็คคคืออออรรแขข่่่่่งงงัันนนตตตต้ถูเเลิไปพะะะะววฝ We don't want to call off our trip to Turkey. แปลว่าพวกเราเนี่ยไม่อยากที่จะล้มเลิกการเดินทางไปประเทศตุรกีค่ะ Call off บริบทนี้นะคะมีความหมายว่าล้มเลิกนั่นเองค่ะค่ะเรามาดูการแต่งประโยค Call off อีกหนึ่งประโยกะคเลยค่ะในที่นี้แปลว่ายกเลิกก็ได้นะคะ You must call off your party tonight You must call off your party tonight ความหมายก็คือคุณเนี่ยต้องยกเลิกงานปาร์ตี้คืนนี้นะ หรืออีกหนึ่งตัวอย่างประโยชน์ก็ดีนะคะอันนี้จะแปลาว่าล้มเลิกนะคะ You had better call off your plan. You had better call off your plan. คุณน่าจะล้มเลิกแผนของคุณซะนะ กริยาวลีที่เรานำมาฝากที่น่าสนใจต่อมานะคะอีกหนึ่งคำนะคะคือคำว่า put off put off นะคะ put off นะคะหมายถึงเลื่อนออกไปค่ะหรือพักผ่อนก็ได้นะคะหรือเลื่อนวันหรือเลื่อนเวลาก็ได้นะคะตัวอย่างประโยคนะคะ The party has been put off until next Sunday the party has been put off until next put has been sunday off off แแปปปปลลลลววว่่่่่าาาาางงงนนนนนนนนนนเเเเีี้้้ยยะะะะะคคคถูกเลือออกไปน็ันเองคัททาาิิต์หบบร put off going to the Going to the dentist นะคะความหมายของประโยคนี้คือคุณเนี่ยไม่ควรจะเลื่อนวันไปหาหมอฟันนะประโยคนี้ put off ในที่นี้แปลว่าเลื่อนนะคะเลื่อนวันค่ะค่ะตัวอย่างต่อมาค่ะ Never put off till tomorrow what you can do today Never put off till tomorrow what you can do today แปลว่าอย่าผัดวันประกันพรุ่งในสิ่งที่คุณทำวันนี้ได้ค่ะ กริยาวลีที่น่ารู้ต่อมานะคะจะเป็นกริยาวลี bring about bring about ความหมายของ bring about นะคะแปลาว่าก่อให้เกิดนะคะนำมาซึ่งหรือ bring about นะคะจะแปลาว่าเป็นสาเหตุของอะไรสักอย่างก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราลองมาติดตามรับฟังตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะค่ะตัวอย่างประโยคที่ใช้ bring about นะคะ a nuclear war will bring about the destructions of mankind อีกหนึ่งครั้งนะคะ a nuclear war will bring about the destruction of mankind นะคะความหมายของประโยคนี้นะคะคือสงครามนิวเคลียร์นะคะเป็นสาเหตุของการทำลายมนุษยชาติค่ะตัวอย่างต่อมานะคะของ bring about นะคะ democracy has brought about the great change in the people's living อีกหนึ่งครั้งนะคะ democracy has brought about the great change in the people's living ตรงนี้นะคะเราใช้ brought about เพราะว่าอยู่ในประโยคที่เป็น present perfect tense นั่นเองค่ะเราใช้ democracy has brought นะคะ has brought about ก็อคือประชาธิปไตาย democracy เนี่ย has brought นะคะคือมันนำมาซึ่งนั่นเองค่ะ the great change การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นั่นเองค่ะค่ะอีกหนึ่งประโยคตัวอย่างนะคะ pollution brings about disasters เอฟเฟกต์ on the ecology อีกหนึ่งครั้งนะคะ pollution brings about a direct threat effect on the ecology ความหมายนะคะก็คือมลภาวะนะคะก่อให้เกิดผลร้ายแรงต่อระบบนิเวศค่ะในที่นี้นะคะคำว่า bring about นะคะแปลว่าก่อให้เกิดค่ะค่ะจะสังเกตนะคะว่าหลัง คำว่า bring about เนี่ยจะเป็นลักษณะของผลลัพธ์นะคะของสิ่งที่ประทานของสิ่งที่เป็นประธานของประโยคนั่นเองค่ะกริยาวะลีสุดท้ายที่น่าสนใจนะคะจะเป็น look down on look down on แปลว่าดูถูกดูหมิ่นค่ะค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคเลยคะ่ะ look down on นะคะ you should not look down on the poor อีกหนึ่งครั้งนะคะ you should not look down on the poor ก็คือคุณเนี่ยไม่ควรดูถูกพวกคนจนนะในที่นี้นะคะ look down ตรงนี้แบบว่าดูถูกค่ะตัวอย่างต่อมาค่ะ if you don't do your duty people will look down on you อีกหนึ่งครั้งนะคะ if you don't do your duty people will look down on you แปลว่าถ้าคุณไม่ทำตามหน้าที่เนี่ยคนเขาก็จะ ยามคุณได้ค่ะลุกดาวในบริบทนี้ก็มีความหมายว่ายามหรือว่าดูถูกดูหมินนั่นเองค่ะค่ะข้อควรระวังนะคะถ้าคำว่าลุกดาวเนี่ยนะคะไม่มีบุพบทนะคะคำว่าอ่อนต่อท้ายเนี่ยมันอาจจะหมายถึงแปลว่ากุ้มใจหรือเศร้าใจก็ได้นะคะหรืออาจจะแปลว่ามองลงไปหรือมองข้างล่างก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคนะคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพมากขึ้นค่ะ I looked down and saw a man who looked down. When I asked what was wrong, he told me not to look down on him. ประโยคนี้นะคะมีความหมายว่าผมมองข้างล่างและก็เจอผู้ชายคนหนึ่งที่ดูท่าทางจากกลุ้มใจเมื่อผมถามเขาว่าเขาเนี่ยมีปัญหาอะไรเขาก็ได้แต่บอกว่าอย่าดูถูกผมนั่นเองค่ะ และสำหรับช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www. ภาษาอังกฤษ .com ค่ะค่ะ วันนี้รายการของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับรายการ English Round You ได้ใหม่ในวันพฤหัสหน้าช่วงเวลาตีสี่ถึงตีสี่ครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญาบุรีออกอากาศด้วยระบบ FM ความถี่ 89.5 เมกะเฮิร์ต คลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตดิฉันชลุกนาจินสีดิฉันพุทธนาสวัสดโยธินเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการในวันนี้ค่ะรายการ English Around You สนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี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 ฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th หรือติชมรายการได้ที่ facebook.com/rmuttradio หรือทางไลน์ออฟฟิเชียล @rmuttradio